แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าเขย่าวขวัญช่วยลุงด้วยสวัสดีครับทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อนายชัยเดชผมมีเรื่องเล่าประสบการณ์สยองที่ใครได้ฟังแล้วก็ต้องขนลุกไปตาตามกันย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนด้วยเหตุที่ว่าบ้านของผมทำไร่ทำนา ในบางฤดูน้าก็แห้งแล้งทำให้พืชผลทางการเกษตรไม่ดีผมจึงต้องเข้ามาทำงานที่กรุงเทพและจำได้ว่าตอนนั้นคุณลุงของผมเป็นคนห้ามไม่ให้มาแกบอกว่าค่าครองชีพสูงรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแต่ผมก็ไม่ฟังเพราะคิดว่าการมาตายเอาดาบหน้าในกรุงเทพจะดีกว่ายอมจนทนอยู่บ้านนอกก็เลยได้มาทำงานในกรุงเทพในตาแหน่งธุรการที่โรงงานแห่งหนึ่งลุงซึ่งเปรียบเสมือนพ่อคนที่สองของผม ม่จะโทรมาถามสารทุกสุกดิบทุกๆวันเพราะตัวแกเองก็ไม่มีครอบครัวแกจึงรักผมมากจากนั้นมาก็เป็นเวลากว่าสองปีที่ผมทำงานเก็บเงินและยังไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านแต่ทางบ้านก็โทรมาหาบ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งผมฝันแปลกๆฝันว่าลุงจมน้ำอยู่ในแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นน้าวนมันอยู่ลึกและไกลามากศพของแกลอยอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยที่ไม่มีใครพบเห็น ตื่นเช้ามาผมรู้สึกใจคอไม่ดีจึงได้โทรไปหาลุงแต่โทรไม่ติดจึงโทรไปถามแม่แม่บอกว่าลุงแก่สบายดียังไปกินข้าวกับที่บ้านอยู่เลยเมื่อเย็นนี้แต่เมื่อเช้าเห็นว่าแกจะไปหาปลาทาั้งๆที่ฝนตกหนักผมรู้สึกไม่สบายใจมากที่ได้ยินแม่พูดแบบนั้นตกบ่ายผมก็ยังโทรหาลุงอยู่แต่ก็ยังโทรไม่ติดเหมือนเดิมกระทั่งตอนดึกในขณะที่ผมกำลังจะหลับแล้วแต่เสียงโทรศัพท์กลับดังขึ้น เฮนเบอร์ของลุงโชหน้าจอผมดีใจมากครับแต่พอรับโทรศัพท์ลุงแกแค่พูดว่าช่วยด้วยลุงหนาผมก็ถามกลับไปว่าลุงไม่สบายหรือเปล่าลุงก็ตอบมาแค่ว่าลุงหนาวหนาวมากไม่ว่าจะถามอย่างไรลุงแกก็ตอบมาแค่ว่าหนาวและหนาวมากการสนทนาในวันนั้น จึงจบลงด้วยการที่แกตัดสายทิ้งไปด้วยความเป็นห่วงเกรงว่าลุงแกจะไม่สบายและไม่มีคนดูแลเพราะแกอยู่บ้านคนเดียวจึงโทรหาแม่แต่ก็โทรไม่ติดเหมือนกันเช้าวันต่อมาผมก็โทรหาแม่อีกแต่ปรากฏว่าโทรไม่ติดโทรไปหาคนข้างบ้านก็โทรไม่ติดอีกเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะสัญญาณล่มหรือสาเหตุอะไรทําให้โทรไม่ติดเลยวันนั้นทั้งวันผมพยายามโทรหาคนที่บ้าน แต่ก็ไม่ติดเหมือนอย่างเคยกระทั่งคืนนั่นเองผมนอนหลับไปประมาณเที่ยงคืนแล้วฝันแปลกๆอีกว่าลุงอยู่ในน้ำที่เชี่ยวกรากผมได้ยินแค่เสียงของลุงบอกว่าหนาวมากช่วยลุงด้วยเสียงนั้นมันก้องในหูของผมอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตื่นกลางดึกประมาณตีสองเพราะได้ยินเสียงโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์จากแม่ของผมเองครับแม่บอกว่าลุงหายไปตั้งแต่เมื่อเช้าวานที่แกไปหาปลาในแม่น้า ตอนนี้คู่ภายกำลังตามหาอยู่แต่ยังไม่เจออีกอย่างคือฝนตกหนักมีทั้งลมแรงด้วยทำให้สัญญาณโทรศัพท์ล่มจึงติดต่อไม่ได้เวลานั้นผมตกใจมากเพราะสิ่งที่ผมฝันว่าแกอยู่ในน้ำและบอกว่าหนาวมากอาจเป็นไปได้ว่าแกจมน้ำเสียชีวิตแล้วผมได้ตั้งสติและบอกกับแม่ไปเกี่ยวกับความฝันและเสียงโทรศัพท์ที่ลุงโทรมาหาและได้บอกกับแม่ถึงจุดที่ลุงจมน้าว่าอยู่ตรงไหนเป็นลักษณะอย่างไร เพื่อให้กู้ภัยค้นหาได้เร็วเพราะตอนนี้ก็ล่วงเวลาไปเกือบสองวันแล้วก็ยังหาไม่พบล่วงเลยเวลามานานหลายชั่วโมงจนในเย็นวันนั้นเองแม่ผมโทรมาหาอีกครั้งและบอกว่าพบศพลุงแล้วและอยู่ตรงวังน้ำวนที่ผมบอกไปจริงๆแสดงให้เห็นว่าลุงคงต้องการให้ผมช่วยจริงๆและคงหนาวมากเพราะอยู่ในน้านานกว่าสองวันผมจึงต้องรีบกลับไปที่บ้านเพื่อจัดงานศพของลุงและแม่บอกว่า โทรศัพท์ของลุงยังอยู่ในถุงกางเกงตัวที่ลุงใส่ในวันที่จมน้ําแม่ได้ยื่นโทรศัพท์ให้ผมเมื่อผมเปิดดูก็เห็นว่ามีเบอร์โทรของผมโทรออกจากเครื่องของลุงจริงๆในคืนวันที่ผมได้รับโทรศัพท์จากลุงนั่นเองแต่จากการวินิจฉัยของแพทย์ลุงได้เสียชีวิตก่อนที่จะโทรศัพท์มาหาผมซะอีกซึ่งเป็นไปได้ว่าตอนนั้นลุงตายแล้วแต่ด้วยกําลังจิตที่แรงกล้าต้องการสื่อสารกับผม จึงทำให้ออกมาในรูปแบบนี้หลังจากงานศพของลุงประมาณ3าวันคนแถวบ้านที่ชอบไปหาปลาบริเวณริมแม่น้ำตรงที่ลุงเสียชีวิตต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นผู้ชายแก่ๆคล้ายๆกับลุงมานั่งตกปลาบ้างหวานแหบ้างหรือบางครั้งก็ล่องเรืออยู่ตรงน้ำวนดึกๆดื่นๆพอเรียกพอถามว่าเป็นใครก็ไม่ได้รับคาตอบชายคนนี้ได้แต่นั่งหันหลังให้คนถามตลอดทาให้ชาวบ้านไม่กล้าไปหาปลาแถวนั้น เพราะเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นคือวิญญาณของลุงส่วนตัวผมเองเมื่อกลับมาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ยังนึกถึงลุงอยู่ตลอดเวลาและมีอยู่คืนหนึ่งที่ฝันว่าแกมาหาที่หน้าห้องเสื้อผ้าเปียกปอนไปด้วยน้ำหน้าซีดผิวซีดเป็นหมดทั้งตัวแต่ไม่พูดไม่เอ่ยอะไรผมก็ได้แต่ใส่บาทรทำสังฆทานไปให้เพื่อหวังว่าลุงแกจะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้เพราะเชื่อกันว่า คนที่จมน้ำตายคือคนที่ตายโหงยังไม่ถึงที่ไปวิญญาณก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นบางครั้งก็อยู่ในที่ที่ตนตายพระจิตสุดท้ายยังห่วงอยู่กับการหาปลาก็เลยติดอยู่กับการหาปลาทำให้ชาวบ้านเห็นว่าวิญญาณแกยังคงหาปลาอยู่อย่างนั้นเองครับแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่แกตายผมฝันเห็นลุงอีกครั้งและฝันแบบเดิมๆว่าแกมาหาที่หน้าห้อง เลือผ้าเปียกปอนด้วยน้ำจนกระทั่งผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูแล้วเรียกชื่อเดชเดชซึ่งเป็นชื่อเล่นของผมผมได้ยินและรู้สึกว่าเสียงนี้เหมือนจะคุ้นเคยว่าได้ยินที่ไหนมาก่อนนั่นก็คือเสียงของลุงนั่นเองตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมากตกใจทำอะไรไม่ถูกได้แต่นอนนิ่งอยู่อย่างนั้นแต่เสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเดชเดช ผมเอาพ่าห่มคลุมโปงเอามือปิดหูเพราะไม่อยากได้ยินเสียงและโดยส่วนตัวก็เป็นคนกลัวผีอยู่แล้วจึงได้แต่แผ่เมตตาให้กับแกและก็บอกแกในใจว่าผมจะทําบุญไปให้ลุงเรื่อยๆนะจากนั้นไม่นานเสียงเรียกก็งเงียบลงผมเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าลุงก็มาเรียกแม่ที่หน้าบ้านอย่างนี้เหมือนกันจึงแม่ก็คิดว่าแกยังคงเป็นห่วงญาติพี่น้องและทรัพย์สินของแกอยู่ได้แต่บอกแกไปว่า จะดูแลรักษาบ้านของแกให้ดีที่ไร่ที่นาต่างๆจะรักษาไว้ไม่ขายให้คนอื่นได้ยินแม่พูดอย่างนี้ผมเลยนึกถึงไปเมื่อครั้งที่ได้มาทำงานกรุงเทพใหม่ๆที่ลุงแกไม่อยากให้ผมมาอยากให้ทำไร่ทำนามากกว่าและแกก็โทรมาหาผมอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นห่วงว่าผมจะใช้ชีวิตในเมืองหลวงไม่ได้ผมจึงคิดว่าลุงคงมาตามให้กลับบ้านไปทานาทาไร่ไม่อยากให้อยู่ที่เมืองหลวงหลังจากนั้นมาประมาณหกเดือน ผมยังตัดสินใจกลับไปที่บ้านเกิดไปทำไร่ทานาตามความปรารถนาของลุงเพื่อให้แกหมดห่วงทำให้วิญญาณของแกก็ไม่ได้มารบกวนคนที่บ้านอีกแต่ก็ยังมีคนเห็นวิญญาณแกไปหาปลาอยู่เหมือนเดิมรอจนกว่าจะหมดอายุไขหรือหมดวิบากกรรมจริงๆที่แกจะได้ไปเกิดในที่ดีๆหากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ